บทที่166ริระพินไพรวันนิ่งไปชั่วขณะพยายามอ่านความคิดจากสีหน้าและแววตาของเจ้าคู่ปรับถูกแล้วมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องคุ่นคิดและตั้งคำถามกับตนเองอยู่แล้วเช่นกันในสองประเด็นที่แง่สายท้าทายพนันมาคุณสาบศูนย์แสดงหลักฐานร่องรอยของการมีชีวิตอยู่เมื่อปีกลายขณะที่เดินตามขณะที่เดินทางมาถึงบ่อน้าร้อนบนยอดเขาแห่งนี้ มันเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับเนินพระจันทร์อย่างที่สุดจนพอจะสันนิษฐานได้ว่าจะอย่างไรเสียก็จะต้องเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอนชนิดที่ไม่มีการคลาดเคลื่อนไปแต่นั่นมันเป็นเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วก็ปัจจุบันนี้เล่าเขาทั้งสองคนไปอยู่เสียที่ไหนคงยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ร่องรอยที่พบก็เป็นร่องรอยหลักฐานในเที่ยวขาไปเท่านั้นไม่ปรากฏร่องรอยของการย้อนกลับ และอีกสิ่งหนึง่งเท่าที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเกิดขึ้นอยู่ขณะ น, นี้ทั้งคณะทุกคนย่อมตระหนักได้ดีถึงอาการอุบัติเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับนายหญิงซึ่งทำให้หล่อนไม่สามารถจะเดินต่อไปได้นอกจากการพักฟื้นเป็นระยะติดต่อกันอีกหลายวันส่วนกำหนดวันขึ้นห้าค่ำเดือนสิบสองอันเป็นเวลาแน่นอนที่จะต้องไปใหถึงเรือนพระจันทร์ตามคาสั่งของลายแทงก็กาลังจะมาถึงในวันมรืนนี้แล้ว คณะทั้งหมดจะเดินทางกันไปถึงได้อย่างไรพระอุปสรรคที่เกิดขึ้นจอมพรานเปลี่ยนสายตาจากหน้าของอดีตร้อยโทรกองโจนกระเรียงขึ้นไปสังเกตบนแผ่นฟ้ายามนี้เขาเห็นความสว่างของทวาการยังแผ่ความแจ่มใสยอยู่ทั่วไปคะนเวลาว่ามันคงประมาณไม่เกินบ่ายสองโมงแต่มีข้าวหมอกแห่งความหนาวยืกจับกลุ่มอยู่เหนือยอดเขาซึ่งสูงระงานขึ้นไปทางทิศเหนือทิศ เป็นที่ตั้งยอดสูงสุดของเทือกเขาพระศิวะซึ่งเนินพระจันทร์ก็อยู่ทางตำแหน่งนั้นมันกำลังค่อยๆเคลื่อนเงาผ่านมาแสงสว่างของกลางวันอาจหมดสิ้นไปภายในเวลาไม่เกินบ่ายห้าโมงเย็นของวันนี้และจากนั้นหิมะ ก, ก็คงจะเริ่มพรมอันเป็นธรรมชาติของที่นี่ตามฤดูกาลนี้จากใจจริงของฉันนะงาสาย ในที่สุดเขาก็พูดเหมือนกระซิบฉันไม่กล้าพอที่จะคิดได้หรอกนะว่านายชดกับคนของเขาจะยังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้แล้วก็ไม่คิดด้วยว่าเราจะเดินทางไปถึงเนินพระจันทร์<ไ>ตามกําหนดเวลาได้แง่าสายแย้มริมฝีปากออกน้อยๆถ้าฉะนั้นผู้กองก็คิดเช่นเดียวกันนายแหม่มนั่นเองก็แล้วทำไมผู้กองไม่บอกถึงความคิดข้อนี้ของผู้กองให้เจ้านายทั้งหลายทราบไว้ลครับ แกคิดว่าฉันควรจะบอกเหรอคิดว่าฉันจะกล้าบอกอย่างนั้นเหรอผู้กองยังไม่ตอบตรงคำถามของผมนักนะครับผมถามเพื่อท้าพนันกับผู้กองเมื่อตกี้เราพนาักเราพนันกันต่างหากแล้วครับพนันมีอะไรมาเป็นเดิมพันระหว่างแกกับฉันยิ้มของเจ้าคนลึกลับสยายกว้างออกไปอีกมีครับ แล้วมันเป็นเดิมพันที่จะทรงความหมายที่สุดในชีวิตของเราทั้งสองฝ่ายด้วยอ่ะว่ามาสิถ้าผู้กองชนะผมหมายถึงว่าในชดกับคนของเขาตายไปซะแล้วกับอีกอย่างหนึ่งคือเราไปไม่ทันตามกำหนดเวลาที่เนินพระจันรผมจะลืมเรื่องราวและหน้าที่อื่นๆทั้งมวลซะให้หมดสิ้นและจะเป็นแง่ทายคนเดิม จะติดตามผู้กองไปทุกขนทุกแห่งจะยอมเป็นทาสเป็นลูกงานผู้รับใช้ผู้กองตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ผู้ง่ายง่ายก็คือผมจะกลับไปอยู่ร่วมกับผู้กองที่หนองน้ําแห้งตามเดิมมีสภาพ ร, รับใช้ผู้กองอย่างบุญคําเกิดเสยแล้วก็จันจะขอฝากชีวิตไว้กับผู้กองตลอดไปครับอรานใหญ่ครางลึกในลําคอจ้องหน้าขมิง้งก็แล้วแต่ฉันแพ้พนันกัล่ะ ก็เอเป็นว่าผู้กองสละโลกภายนอกและชีวิตเดิมๆของผู้กองมาอยู่ร่วมกับผมในมรกรกนครตลอดไปเช่นกันตกลงไหมครับจอมพรานอึ้งไปนานในครั้งนี้เกิดมาเป็นระพินไพรวันไม่เคยมีครั้งใดที่เขาจะตกอยู่ในสภาพลังเลกริ่งเกรงต่ออนาคตเบื้องหน้าเท่ากับการถูกท้าทายให้รับพนันในครั้งนี้ใครควรดูให้ดีนะครับผู้กอง อันทีที่ผู้กองตกลงรับพนันกับผมสัตย์จรย่อมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้กองคงไม่ยอมเสียสัตว์เมื่อลั่นปากออกไปส่วนตัวผมเองก็เช่นกันครับระหว่างที่เขายัางนิ่งเงยสายพูดแช่มชาชัดเจนต่อมาจากสีหน้าที่ยิ้มประหลาดนี่แกต้องการให้ฉันอยู่ในมรกนะครกับแกเหละถ้าฉันแพ้พนัน เป็นเช่นนั้นครับเพื่ออะไรกันจะจะมีประโยชน์อันใดสำหรับแกสมมุติว่าแกจะยึดเอาตัวฉันไว้อะผู้กองก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้เนี่ครับไม่ว่าเงาสายจะอยู่ที่ไหนทุกสุขยังไงเงาสายปรารถนาจะมีผู้กองรบพินเคียงข้างด้วยเสมอตราบจนกว่าวันที่เราจะตายจากกันไปครับจำพางหัวรอกหึดในลาคอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว อ่ะนี่เราพูดกันในเรื่องสมมุติทั้งสิ้นนะสมมุติว่าฉันแพ้พนันแกและจะต้องมีหน้าที่รักษาสักด์จากอยู่เป็นข้าแกในมรกรกนครแล้วจ้านายทุกคนรวมทั้งลูกน้องของฉันก็จะต้องกลับออกไปสู่โลกภายนอกอยู่ดีนั่นแหละและฉันจะทอดทิ้งพวกเขาได้ยังไงใครจะเป็นคนนําทางเขากลับออกไปส่งยังโลกภายนอกล่ะเนยไซ ส, สันศีสัจช้า สีหน้ายิ้มละไมยอยู่เช่นเดิมเรื่องนั้นไม่สําคัญนะครับผู้กองนั น, นอิงจะทำหน้าที่แทนผู้กองนำทุกคนกลับออกไปสู่โลกภายนอกได้โดยสวัสดิภาพหรือจริงไปกว่านั้นผู้กองจะย้อนกลับไปส่งพวกเขาทั้งหลายจนแน่ใจที่สุดซะก่อนก็ได้และจึงย้อนกลับมาชดใช้สัญญาที่แพ้พนันผมผมยินดีเสมอครับที่จใจผู้กองกลับไปก่อนโดยไม่จาเป็นต้องยึดตัวไวในทันที เพราะถึงยังไงผมก็เชื่อในสัจจคของผู้กองครับนี่แกไม่มีอะไรจะพูดกับฉันมากไปกว่าเรื่องเลีวไหลไรสาระแบบนี้อีกแล้วเหรอเฮงายทรายนี่ไป่ใช่เรื่องเลียวไหลไรสาระนะครับแต่เป็นเรื่องที่ผมพูดจริงและมีความหมายตามที่พูดทุกอย่างครับกรเจตนาจะยืนยันกับฉันใช่ไหมว่าในชดกับคนใช้ของเขาเนะ่ยยังมีชีวิตอยู่และเราจะต้องตามเขาพบ ผมไม่ยืนยันครับแต่ผมพนันกับผู้กองแล้วไหนเมื่อผู้กองก็แน่ใจอยู่แล้วว่าเขาตายไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ก็ล้มเหลวก็ทําไมผู้กองถึงไม่รับพนันผมละครับจะอยากให้ฉันรับพนันแค่เหรอก็สุดแล้วแต่ผู้กองสิครับผมก็ไม่ได้บังคับหรือขอร้องนี่นั่นเป็นเพียงข้อเสนอเท่านั้นถ้าผู้กองแน่ใจในสิ่งที่ผู้กองคิดก็ควรจะรับพนันผมเพราะย่อมจะเห็นทางชนะอยู่แล้วนี่ แต่ถ้ายังไม่แน่ใจมันก็จะเป็นสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกของผู้กองเองคือหวังไว้ว่าจะได้พบบุคคลที่ผู้กองมีหน้าที่ติดตามไงนะครับฉันมองไม่เห็นประโยชน์อันใดที่ถึงฉันชนะพนันแล้วได้แกไปเป็นลูกมือช่วงชายที่หนองน้ำแห้งเขาเรียกแง้ทรายหัวเราะอย่างรู้ทันผู้กองครับทาไมไม่ยอมสารภาพมาตามตรงล่ะครับ พว่กองไม่กล้าพันนันกับผมเพราะกลัวแพ้กระพินเริ่มหัวเราะ อ, ออกมาได้เป็นครั้งแรกเอื้อมือตบไหล่แง่ทรายแกมีจิตวิทยาที่ดีมากนะแง่ทรายที่ใช้อุบายสร้างความมั่นใจให้เกิดแก่ฉันอีกครั้งถูกละฉันไม่กล้าพันนันกับแกหรอกลงแกได้กล้าท้าทายเอาจริงเอาจั ง, าจางถึงเพียงนี้มันแปลว่าแกต้องมีความมั่นใจอย่อย่างแน่นแฟ้นที่สุดถึงได้กล้าเสนอเดิมพันกับฉันอย่างนี้ แลอะไรก็ตามที่เป็นความมั่นใจของแกฉันก็ไม่กล้าดูแคลนเหมือนกันว่าแต่แทนที่จะมาท้าฉันอยู่อย่างเงี้ยทำไมแกไม่ช่วยทำให้ฉันมองเห็นหนทางขึ้นมาบ้างจากความมืดมนทุกด้านในขณนะนี้ล่ะขั้นแรกที่สุดเราจะต้องทำให้นายหญิงเดินได้เป็นปกติซะก่อนอย่างช้าพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเจ้าคู่ปรับเขาพูดอย่างหน้าตาเฉยเออแล้วแกนะ่ะเป็นหมอที่เก่งกว่าตัวนายหญิงเองอยังงั้นเหรอ เขาพูดเสียงคุณผู้กองครับไม่มีหมอคนไหนในโลกนี้ที่จะแก้โรคได้สารพัดอย่างไปหมดหรอกครับแต่คนที่แก้ไขโรคหรืออาการใดๆได้โดยเฉพาะก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมออีกด้วยมิฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นผู้ชำนาญการพิเศษอย่างสัางปาอย่างขยินหรืออย่างบุญคำยังไม่ทันจะจบประโยคแงสายก้าวเดินผละออกจากเขาไป แต่ยังหันหน้ามาบอกอีกว่า่尼亚ายจะออกไปสำรวจรอบๆที่พักเรานี่สักครู่ไม่นานนักจะกลับมาครับแต่ถ้าผู้กองจะขยันเดินมาเป็นเพื่อนด้วยก็เชิญนะครับรพินยืนมองตามหลังร่างอันสูงใหญ่นั้นไปอย่างครุ่นคิดโดยไม่ขยับขยืน่นหรือเอ่ยคําใดทั้งสิน้นชั่วไม่นานก็ลับเหลี่ยมเนินหายไปจากสายตาเมื่อย้อนกลับเข้ามายัางโพรงพัก ทุกคนชุมนุมอยู่พร้อมหน้าในลักษณะนั่งล้อมวงคนป่วยทั้งหมดกำลังพูดจาสนทนาหรือมิฉนั้นก็หารือกันอยู่มีมาเรียเพียงคนเดียวที่ลุกเลี่ยงเดินออกมาอย่างปากทางเพื่อจะสูดอากาศเบื้องนอกและเดินสวนกับเขาระพินจึงจับแขนไว้คุณหญิงเป็นยังไงบ้างครับแม่ผมทองยิ้มให้เขาเลี่ยนเียนกระตุกไหลด้วยความเคยชินมากกว่าจะมีความหมายเช่นไรระพิน ฉันรู้นะว่าคุณกลุ่มแทบจะบ้าตายไปทีเดียวแต่ไม่อยากให้ใครเห็นใช่ไหมผมถามถึงอาการคุณหญิงนะครับเสียงของเขากระด้างขึ้นตอนนี้ก็ค่อยยังชั่วความเจ็บปวดรงแล้วล่ะพราะยาฉีดแต่ไม่มีทางจะลุกขึ้นมาได้หรอกถ้าเขาใช้กำลังขาด้านนั้นเมื่อไหร่อาการเจ็บปวดมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้นเย็นใจได้รารนี้เชื่อว่าไม่น้อยกว่าสามสี่วันกว่าจะทุเลา จะสั่งปลาของฉันกระตาเท่าบุญคํำของคุณเขาพยายามจะช่วยเหลืออยู่อย่างเต็มที่แล้วแต่คงไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกหมองูกับหมอผีจะไปช่วยอะไรได้กับอาการทุพพลภาพชั่วขณะจากอาการของรูมาตอยนล้วนี่คุณจะไปไหนอ่ก็อยากจะบอกออกไปสูดลมหายใจข้างนอกหน่อยนี่หล่อนบอกเดินผ่านหน้าเข้าไปแต่กลับแต่แล้วก็หันกลับมาบอกเบา โชคดีนะไพวันที่อาการเช่นนี้เกิดขึ้นกันน้อยทำให้เราทั้งหมดต้องหยุดชะ ง, งักการเดินทางลงถ้าเผื่ออาการมันมาเกิดขึ้นกับฉันทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณคงจะสาดแช่งฉันพิลึกและคงจะทิ้งฉันไปก่อนที่มาเรียจะเดินพนระยะเอื้องพรานใหญ่คว้าแขนไว้อีกครั้งดึงตัวกลับเข้ามาหายังไม่ปล่อยมือแต่บีแขนน่นนี่เมย์ ทำไมถึงได้ดูถูกน้ำใจพวกเราทุกคนถึงขนาดนี้นะนี่อย่า ว, ว่าแต่คุณเลยเม่ต่อให้เจ้าสางตาก็ตามทีเถอะถ้าหากมันเกิดมีอันเป็นไปที่จะต้องนอนแบบอยู่กับที่จำไว้นะคุณจำไว้จะไม่มีใครใจดำทอดทิ้งมันได้ได้หรอกขอยรู้ไว้ด้วยมาเรียหัวรอบ ก, กร่อยๆพึมพำว่าฉันเสียใจระพินตาหาวก็พูดอะไรทาให้คุณโกรธฉันรู้ ว่าคุณและทุกคนในที่นี่เป็นคนดีทั้งนั้นมีฉันนะ่ะเป็นคนเลวไม่เป็นสับประรดอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละสำนวนภาษาอังกฤษของหล่อนแปลออกมาได้ความทำนองนั้นแล้วคนพูดก็หลบสายตาเข้าไปนี่รู้ไหมว่าคุณเริ่มจะเป็นคนดีในความรู้สึกของพวกเราทุกคนตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้สิก็ตั้งแต่คุณยอมรับกับสภาพที่จะเป็นแม่ของลูกซึ่งกาลังจะเกิดมานั่นแหละ แม้ว่ามันจะเป็นภาวะจำยอมในความรู้สึกของตัวคนเองก็ตามกล่าวจบเขาก็ปล่อยมือหล่อนออกเดินตรงเข้าไปหาพักพวกโดยไม่สนใจอะไรกับไม่จอมยุ่งประจำคณะอีกปล่อยให้หล่อนออกไปข้างนอกตามอัธยาศัยทุกคนมองมาทางระพินเมื่อเห็นเขาก้าวเข้าไปร่วมวงระพินมีหน้าที่ที่จะต้องเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มเพื่อปลอบขวันผู้ร่วมคณะอีกครั้ง เขารู้ดีว่าทุกคนกำลังตุ้งกระสับกระส่ายวิตกต่อสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวคนป่วยเองผู้บตดนี้สงสายตากังวลมายังเขาและมีท่าทีเหมือนอยากจะพูดอะไรด้วยแต่ก็พูดไม่ออกคุณหญิงนอนพักซะก่อนเถอะครับอย่าทนนั่งอยู่อย่างนั้นเลยหรือถ้าจะหลับได้สักเติ่นก็คงจะดีนะครับผมขอรับรองว่าที่นี่จะเป็นที่พักที่สบายที่สุดครับ หอนปฏิบัติตามคําขอร้องของเขาอย่างว่าง่ายค่อยๆเอ็นตัวลงนอนหงายเหยียดยาวลงบนผืนหนังหมีอันฟูไปด้วยขนประสานมือไว้กับอกแล้วหลับตาลงอย่างอิดโรยชัยยันแทนที่จะเอาใจใส่อยู่กับเมียแหม่มของเขาเช่นที่เคยขณะ น, นี้กลับคอยนั่งเฝ้าดูแลเพื่อนสาวผู้ ค, คลุกคลีใกล้ชิดกันมาแต่เล็กแต่น้อยเหมือนญาติสนิทช่วยถอดเข็มขัดซองปืนออกให้ พร้อมทั้งจัดบริเวณที่นอนเพื่อความสะดวกสบายของคนเจ็บเมื่ออยู่ท่ามกลางที่แวดล้อมของหมู่คณะทั้งหมดอันประกอบด้วยพี่ชายและเพื่อนสนิทของแม่ดอกฟ้าดารินของเขาเช่นขณะนี้ระพินก็ไม่อาจเข้ามาให้ความช่วยเหลือใกล้ชิดกับสุภาพสตรีสูงศักดิ์ที่หัวใจของก็พักดีได้นอกจากจะเฝ้าดูด้วยใจห่วงอยู่รอบนอกเยี่ยงมักคุเทศรับจ้างเท่านั้นพวกรานพื้นเมืองของเขาทุกคน รวมทั้งขยินและสางปาก็ล้วนส่อสีหน้าเป็นทุกข์กันไปหมดอาการเจ็บป่วยของนายหญิงไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยลงไม่มีใครเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเลยในเมื่อต่างก็รู้กำหนดที่หมายของการเดินทางและระยะเวลาอันจำกัดตายตัวอยู่ด้วยกันแล้วเช่นนี้ทุกคนบุญคานั้นถึงกระทําพิธีบวงสวงบนบานมหาฤาษีกลนธญะเพื่อขอให้นายหญิงหายจากอาการเจ็บปวดโดยเฟ เชิาพยักหน้าเรียกพรานใหญ่เข้ามานั่งใกลๆ้ๆผู้กองคุณแน่ใจเหรอว่าขณะนี้เราใกล้เนินพระจันทร์มากที่สุดแล้วแน่ใจครับคุณชายถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุกับคุณหญิงซะก่อนผมคิดว่าเราควรจะถึงที่นั่นก่อนค่าวันนี้ซะด้วยครับด้วยซ้ําครับถ้างั้นเอายี้ไหมเราตั้งแคมป์ทาวอนอยู่ที่นี่แหละและพรุ่งนี้คุณกับผมไปให้ถึงที่นั่นด้วยกันเพื่อคนให้พบและดูลู่ทางไว้ก่อน เพราะมันก็ไม่ได้ห่างจากที่นี่นักอย่างที่คุณว่าถึงยังไงเราก็คงเดินไปและกลับได้โดยใช้เวลาไม่มากนักให้พวกเราส่วนใหญ่เฝ้าน้อยรอยอยู่ที่นี่แหละท่านหัวหน้าคณะมีความคิดที่แล่นไกลเสมอไม่ยอมนิ่งอับจนอยู่กับที่ผมก็กําลังคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันครับใจจริงผมนี่ยอยากจะเดินทางล่วงหน้าไปก่อนซะเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ําครับแต่เหตุการณ์ทางนี้ยังฉุกและหกอยู่ก็เลยไม่กล้าทิ้งไปเพราะถ้าไปที่นั่น กว่าจะกลับมาก็คงต้องพรุ่งนี้ทางนี้ก็จะยิ่งห่วงหน้าพะวงหลังอีกนี่ผมยังไม่เห็นด้วยนะที่จะให้คุณล่วงหน้าตามลําพังเราใช้เวลาของวันนี้ปรึกษาหารือกันให้รอบคอบก่อนดีกว่านะคุณคุณคิดว่าผมคุณแล้วก็แง่ทายพอจะทิ้งทางนี้ไปได้ไหมโดยให้ชายันกบุญคําแล้วก็พวกเนี้เฝ้าอยู่นี่ทั้งหมดถ้าจําเป็นจะต้องทําอย่างที่ว่านี่ ผมคิดว่าผมอยากจะเสนอตัวผมเองกับแง่ทายเพียงสองคนเท่านั้นคุณชายก็ควรจะอยู่ที่นี่ด้วยเพราะเรียนตามตรงนะครับผมไม่เคยวางใจในความรอบครอบของใครในพวกเราเหนือไปกว่าคุณชายอีกแล้วอีกอย่างหนึง่งก็จะได้เป็นกำลังใจอบอุ่นของคุณหญิงซึ่งนอนเจ็บอยู่ด้วยถ้าอาจขวัญเสียยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณชายไปกับผมจะอีกเช่นนี้เชษฐาหนิงคิดอยู่ครู่แล้วว่า ความจริงผมก็เป็นห่วงน้อยนะแล้วก็เข้าใจดีในสิ่งที่คุณพูดแต่ถ้าผมไปกับคุณด้วยเราจะได้ช่วยกันพิจารณาถึงปริศนาในลายแทงเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ระบุไว้นั้นสามความคิดก็คงจะดีกว่าสาความคิดแน่จุดสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องค้นพบทางขึ้นให้ถูกต้องถึงแม้เราจะยังไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ในระยะเวลานั้นถ้าเราค้นพบและทาแผนที่กาหนดเส้นทางเอาไว้ถูกก่อน ย่อมจะตัดขึ้นถูกได้เองภายหลังจากที่คอยให้น้อยค่อยอยังชั่วแล้วผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดหลักฐานร่องรอยของอนุชาตรนันอินก็คงต้องค้นพบกันอีกที่นั่นแน่ๆและท่านหัวหน้าคณะก็คงเม้มริมฝีปากแน่นเปล่าแผ่เบาต่อมาว่าถ้าเราพบหลักฐานการเสีชีวิตของเขาที่นั่นการเดินทางครั้งนี้จะได้สิ้นสุดลงสักทีแต่ถ้าเป็นหลักฐานในการเดินคืบหน้าต่อไปอีกของเขา เราก็จะได้สาวรอยต่อไปคุณต้องเข้าใจนารพินผมไม่ได้หมายตัดเทือกพระศิวะเพื่อมุ่งไปไหนทั้งสิ้นแต่ต้องการตามไปในที่ที่อนุชาไปเท่านั้นไม่ได้สนใจเรื่องอื่นนอกเหนือไปกว่านั้นครับผมเข้าใจครับแต่ถึงอยังไงแล้วผมว่าลองฟังความเห็นคุณหญิงกับคุณชา ย, ยันดูอีกครั้งแล้วกันถ้าคุณชายต้องการจะไปกับผมด้วยพรุ่งนี้เพราะมันหมายถึงว่าเราทั้งสามคน จะต้องอยู่ที่เนินพระจันทร์เพื่อตีปริศนาลายแทงและหาลูดทางจนกว่าจะพ้นวันขึ้นห้าค่ำไปแล้วจึงจะกลับมาที่นี่ได้ขณะที่พูดเขาเหลือบตาไปทางร่างอันนอนสนิทนิ่งของดารินวราริศและถอนใจสะทอนด้วยความสงสารจับใจหล่อนภายผอมสูบโซมลงไปมากในระยะนี้แต่ก็เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งทรหดสุดใจขาดดิ้นเกินสภาพหญิงและไม่ทิ้งความงามอย่างคมเฉียบ ตามคุณสมบัติเดิมพระพี่ชายเจ้ากรรมสองคนทะเลาะ ก, กันแท้ๆจึงทำให้น้องสาวผู้คนสวยผู้แสนจะบอบบางต้องมาพลอยตกระกรรมลำบากแทบเลือดตากระเด็นไปด้วยพรานใหญ่รำพึงอยู่ในใจแต่นึกอีกทีก็น่าจะขอบคุณต่อเหตุการณ์หาไม่เช่นนั้นแล้วชายหญิงคู่หนึ่งจะมาเกิดความรู้สึกที่ทราบซึ่งถึงแก่นประทับใจกันได้ยังไงทั้งๆที่ฐานะและเส้นทางชีวิต แตกต่างกันลิบลับชยันขยับถอยห่างเพื่อนสาวออกมาร่วมวงด้วยอย่างระมัดระวงังการเคลื่อนไหวของตนเพื่อไม่ให้ดังไปรบกวนคนเจ็บน้อยหลับละอดีตนายทหารปืนใหญ่บอกเขายานอนหลับตัวเองเมื่อครู่นี้เองมันช่วยสงบและพักผ่อนไปได้หมอประจําคณะมากลายเป็นคนป่วยไปซะเองอย่างนี้พวกเราก็แย่ท่านั้น จะช่วยอะไรก็ช่วยไม่ได้ถนัดนักมองกันผัดผาดชั ย, ยันก็ดูเป็นคนไม่ค่อยจะเอาไหนนักแต่เมื่อถึงคราวเกิดวิกฤตการเดือดร้อนขึ้นในหมู่คณะอันจะต้องแสดงถึงความสีสละและความกล้าหาญชั ย, ยันก็ไม่ได้ด้อยคุณสมบัติในด้านนี้เลยธรรมชาตินิสัยของเขาเป็นคนดีคนนึงควรแก่การนับถือได้สังเกตดูที่ชั ย, ยันปฏิบัติแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนสาวของเขาก็ย่อมจะพิสูจน์ถึงแก่นแท้ของน้ําใจได้ ยังไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดบุคคลทั้งสามยังมีความรักใคร่ผูกพันต่อกันถึงขนาดที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันได้ในครั้งนี้เพราะเขารักกันอย่างแน่นแฟน้นเสมอพี่น้องคลานตามกันออกมานี่อีกและบางทีที่มาเรียผละลุกเดินแย่ตัวหนีออกไปเสียเมื่อตะกี้นี้ก็อาจจะเป็นเพราะความหมั่นไส้ชัยยันที่เข้ามาประคบประงมดารินจนเห็นได้ชัดก็ได้อย่างน้อยแมมสาวก็ยังมีอารมณ์ของเพศหญิงทั่วๆไปอยู่บ้างเหมือนกัน หลนคงจะไม่เข้าใจลึกซึ้งได้เพียงพอในความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวคู่นี้ว่ารักใคร่ห่วงใยกันฉันเพื่อนหรือญาติใกล้ชิดเช่นไรตรงข้ามกับตัวเขาเองซึ่งอย่างซึ้งเข้าใจโดยตลอดเขาเคยเห็นแม้กระทั่งชา ย, ยันเคยอุ้มหรื ก, กอดดารินเอาซึ้งซึงหน้าแต่นั่นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าอาการหยอกเยา้าเล่นหัวกันธรรมดาเท่านั้นแล้วก่อนที่ใครจะพูดคาใดกันต่อไปนั่นเอง ทั้งหมดก็ต้องชันสีสะขึ้นยางกระทันหันเสียงไร้ฟินนักหนึ่งระเบิดกึกก้องแวกมาในความเงียบของุูเขารอบด้านดังสะท้อนกังวานซ่าไปทั่วชยันเผลอตัวร้องหมักมาเฮ้ยแล้วต่อมาทุกคนก็เห็นมาเรียผู้โผล่ไปข้างนอกวิ่งหน้าตื่นเข้ามาร้องลั่นว่าเสียงปืนได้ยินหรือเปล่ามันดังมาจากุบเขาลูกใดลูกนึงใกล้ๆเรานี่แหละ จะบอกไม่ถูกนัองมันดังมาจากทางด้านไหนรัพินกัดริมฝีปากขมวดคิว้วสำรดจชัยันกระเชิฐาลุกพรวดพราดขึ้นทันทีใครยิงอ่ะเอ๊ะก็พุกเราทั้งหมดอยู่กันเครอบไม่ใช่เหรอเชิฐถาพูดละล่ำละลักเร็วปรือหมุนตัวไปรอบรอบกลางวานเสียงของกระสุนนัดนั้นค่อยๆแววจางหายไปกลายเป็นความเงียบตามเดิมมันดังขึ้นเพียงนัดเดียวเท่านั้น ทุกคนหน้าตื่นเลิกลักกันไปหมดยกเว้นครานใหญ่ผู้อยู่ในการครุ่นคิดเหมือนจะอ่านอะไรบางอย่างจากรหัสของเสียงปืนนัดนั้นดารินวราฤทธิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่รู้สึกตัวขึ้นมารับรู้ต่อเสียงปืนอันเป็นข้อประหลาดใจของพักพวกทุกคนในขณะนี้หล่อนถูกสะกดไว้ด้วยยานอนหลับของตนเองในปริมาณขั้นแรงระหว่างที่ทุกคนยังเงงะอย่างความเห็นของกันเองอยู่ไปมา ท่านใหญ่ค่อยๆลุกขึ้นมายืนก็พอดีกับที่เชฐาผู้ละเอียดรอบคอบเสมอมองสำรวจจำนวนผู้ร่วมคณะทุกคนแล้วถามโดยเร็วต่อมาว่าเงาไซไม่ได้อยู่ด้วยนี่เจา้านานหายไปไหนคุณมันบอกกับผมว่ามันจะออกไปสำรวจบริเวณใกล้ๆนี่เพิ่งแยกไปสักครู่ใหญ่ๆนี่เองนะครับรับพินตอบถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาหรอกเสียงปืนของเงาไซแหละชยันว่า แต่ยังไม่ไวายตื่นเต้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆสําหรับความรู้สึกสะดุ้งผวาชนิดนี้ยามใดายามหนึ่งก็ตามทีในเส้นทางตั้งแต่ออกจากหลุมช้างเป็นต้นมาหากคนใดคนหนึ่งแยกจากคณะส่วนใหญ่ออกไปตามลําพังก็ดีหรือเป็นหมู่ๆก็ดีครั้นแล้วก็มีเสียงปืนแววมาให้อีกฝ่ายได้ยินอันแสดงให้ทราบชัดว่าได้มีการยิงขึ้นทั้งที่ข้อเท็จจริงอาจจะเป็นการยิงสัตว์เพื่อมาเป็นสเสบียงของหมู่คณะ แต่ฝ่ายที่ได้ยินเสียงปืนก็ยังอดไม่ได้ที่จะต้องใจเต้นระทึกและรอฟังข่าวอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจจนกว่าจะเห็นเจ้าของเสียงปืนโผล่ ก, กลับมาและหรือรู้ได้แน่นอนว่ายิงอะไรเพราะเหตุที่ว่าเสียงปืนในลักษณะเช่นนี้ไม่มีทางจะพิสูจน์ให้ทราบได้เลยว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นหลายตอนหลายครั้งมันก็มักจะมาจากเสียงปืนที่แว่วมาให้ได้ยินแบบนี้กันนี่แหละ อาจมิมารียเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่กังวลใจอะไรมากนักเมื่อรู้แน่ว่าเงายสายหายไปจากคณะและเป็นเจ้าของเสียงปืนนัดนั้นหลันยิ้มออกมาได้และพูดอย่างคนเมียรมขันโดยไม่เข้าใจถึงกาลเทศะว่าโชคไม่ดีเลยที่เป็นเสียงปืนจากนายเฮอร์คิวลิสนั่นฉันกำลังจะเตรียมดีใจอยู่แล้วที่พอใกล้เนินประจันทร์เข้ามาและใกล้ต่อร่องรอยของคนหายกระชันชิดแบบนี้ แล้วจู่ๆเราก็ได้ยินเสียงปืนเพราะนั้นย่อหมายถึงนายชดกับพรานของเขาแน่ๆนี่อย่าพูดอะไรให้มันนอกเรื่องนอกราวไปเลยเมแงาซายนะ่ะออกไปสำรวจบริเวณตามลำพังคนเดียวแล้วอยู่ๆก็ยิงตูงขึ้นแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่พวกเราทุกคนจะสบายใจนักหรอกนะชายันทำเสียงต่ำๆพนันเงินก็ได้แงาซายยิงสัตว์ที่จะมาเป็นสเสบียงให้พวกเราทุกคน ไม่ต้องตกใจไปรอกเพราะยิงนัดเดียวแบบนี้อะไม่เชื่อก็ถามไปวันดูที่เชิดถากระชา ย, ยันเปลี่ยนสายตาไปที่พรานใหญ่อย่างต้องการจะให้ได้ความเห็นผู้กองมันบอกคุณว่ามันจะออกไปสำรวจบริเวณงั้นเห่อท่านหัวหน้าคณะย้อนถามเข้ามาอีกครั้งพรานใหญ่ย่อมเข้าใจดีถึงข้อห่วงกังวลของนายจ้างของเขาซึ่งไม่ได้แสดงออกมาโดยตรง และเพื่อความสบายใจของคนเหล่านั้นเขาจึงหันไปคว้าไรเฟิลบอกเรียบๆว่าเดี๋ยวผมจะออกไปดูเองครับรู้สึกเหมือนกันว่ามันดังอยู่ไม่ไกลนักแล้วก็เดินผ่าออกมาโดยเร็วเสียงบุญคำร้องบอกใกล้หลังมาว่านายนายเอาไอ้พวกนี้ไปสักสองคนที่เพื่อไอ้แกซ้ายมันยิงได้อะไรจะด้วยช่วยกันแบกหามมาไม่ต้องรอทุกคนอยู่นั่นแหละ ถ้าเหลือบากว่าแรงยังไงเดี๋ยวจะย้อนกลับมาตามทีหลังแล้วกันเขาตักบทโดยไม่หยุดหรือเหลียวมาให้เสียเวลาต่อไประพินก้าวยาวออกมาสู่บริเวณเบื้องนอกอโมงค์พักจำได้ว่าแงซายแยกเดินหายลับตาไปทางไหนประกอบกับภูมิประเทศอันเป็นภูเขาหินล้วนปราศจากแมกไม้ที่บทบังเขาแน่ใจว่าการสาวรอยแงซายไม่ยากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เสียงปืนที่แวววมาก็บ่งชัดอยู่ว่าผู้ยิงอยู่ไม่ห่างจากบริเวณที่พักเท่าไหร่นักอาจจะอยู่ในละแวกไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นพอก้มลงสำรวจตามพื้นก็ยิ่งสะดวกใจมากขึ้นความชื้นฉ่ำของพื้นปรากฏรอยเท้าของแง่ทรายที่เหยียบย่ำไว้พอที่จะให้สาวไปได้แม้จะไม่ชัดเจนนักก็ตามทิศทางนั้นลาดลงไปสู่เนินต่ำลักษณะคล้ายๆหลังเตาก่อนแล้วจึงแยกไต่ขึ้นเส้นทางอันสูงชัน เหมือนจะพยายามขึ้นไปสู่ยอดอันแหลมสูงยอดใดยอดหนึ่งทางด้านตะวันออกซึ่งเขาก็อ่านใจมันไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะไต่เขาสูงชันลักษณะหน้าผาขึ้นไปหาสวรรค์วิมานอะไรในเมื่อมีทางให้เลือกเดินได้สะดวกออกรอบทิศมากมายเสียงปืนที่ลั่นหนึ่งนัดก็ยังเดาไม่ถูกจริงๆว่าแอซใส่ ย, ยิงอะไรแต่ว่าเดินหาสัตว์ที่จะมาเป็นอาหารมันก็ไม่น่าจะเดินขึ้นมาสูงแบบนี้ ในเมื่อต่ําลงไปดูเหมือนจะมีทุ่งหญ้าในวงแวดล้อมของป่าสนย่อมยอมระหว่างตีนเชิงสองลูกหนึ่งปัญหาครุ่นคิดพิศวงของเขายังไม่อาจที่จะตัดสินใจสันนิษฐานได้อย่างใดก็พลันมองเห็นเจ้าตัวต้วตนเหตุของเสียงปืนกําลังยืนระงานอยู่ในระหว่างมูหินใต้หน้าผาตัดอันสูงลิบเป็นยอดกรวยสูงขึ้นไปห่างจากตาแหน่งทีรพินลากตัวเองไต้ซ้อขินขึ้นมาทักกายอยู่ประมาณ50เมตร เขาชะงักอยู่อึดใจพยายามเพ่งสายตาจ้องไปที่ร่างนั้นซึ่งบัดนี้ยืนกอดอกหันข้างให้แกเขาพิงไรเฟิลคู่มือไว้ตรงก้อนหินข้างๆตัวลักษณะของไอ้หมอนั่นกำลังแงนดูขึ้นไปบนชะง่อนหินสูงเหนือสีสษะในท่าครุ่นคิดหรือมิฉะนั้นก็ทอดอารมณ์ตามสบายของมันพ่านใหญ่เคลื่อนเข้าไปในทันทีนั้นเมื่อเขาใกล้เข้าไปเงยสายปลายหางตามามองนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ทักทาย หรืแสดงอาการใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะยืนแงันมองขึ้นไปข้างบนอย่างเดิมจนกระทั่งอีกฝ่ายเข้ามาถึงตัวนึกแล้วเจ้าคู่ปรับของเขาเอ่ยขึ้นลอยๆเหลียวมองหน้าช้าๆลางยิ้มนึกหาอะไรวะก็นึกว่านายหญิงคงไม่ปล่อยผู้กองนั่งขี้เกียจอยู่เฉยๆหรอกถ้าได้ยินเสียงปืนจากแง่ายโดยไม่รู้ข่าวคราวแบบนี้ ตอนนี้นายหญิงหลับไม่ได้ยินเสียงปืนหรอกแต่นายใหญ่กับนายทหารก็มีอะไรคล้ายๆนายหญิงเหมือนกันคือรักแกยิ่งกว่าลูกซะอีกถ้าเขามีลูกอะแงซายหัวเรอหน่าผู้กองอย่าอิจฉาแงใสนะคนอย่างแงายน่ะใครๆก็รักทั้งนั้นยกเว้นผู้กองคนเดียวนี่ถ้าแกไม่สามารถจะบอกเหตุผลที่ฉันพอจะรับฟังได้ว่าไอ้ที่เสือกยิงปืนเมตะกี้เนี่ยยิงเพื่ออะไร จะจะถีบไก่กลิ้งลงไปจากเขาลูกนี้เหมือนเหมือนกับลูกขนุนกลิ้งลงไปทีเดียวบอกใหตัวไก่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยวะแล้วลพินพูดลอดไรฟันออกมาวางไรฟันในมือลงพร้อมกับปั้นแขนเสื้อขึ้นอย่างเตรียมพร้อมเออผมรู้สึกว่าจะไม่มีโอกาสผู้กองจะไม่มีโอกาสถีบผมให้กลิ้งเป็นลูกขนุนรอกตรงกันข้ามดิครับผู้กองผู้กองเห็นจะต้องลําบากช่วยผมซะด้วยซ้ํา ถ้าอยากใจนายหญิงเดินได้อย่างชาพรุ่งนี้ประโยคหลังของไอ้คนยวนทำอระพิงจ้องขมึงเพื่อจะค้นหาแก่นความจริงที่ซ่อนเร้นนี่ถ้าไม่อยากจะฉันดาก้กน้คำหยาบพิดีไม่ดีมือไม้อาซผงผางตามไปด้วยก็พูดให้มันสั้นๆและเข้าใจง่ายๆกว่า น, นี้หน่อยได้ไหมคือว่าคือว่าบนนั้น แง่ทรายชี้มือขึ้นไปบนหน้าผาสูงเหนือสีสะซึ่งเต็มไปด้วยชะง่อนแง่ของหินบนนั้นนะครับตัวอะไรชนิดหนึง่งถูกปืนจากชะง่อนเหนือขึ้นไปหล่นลงมาติดค้างอยู่รูปร่างของมันนะครับเป็นส่วนผสมระหว่างเลียงผาและแกะภูเขาน้ำมันของมันผสมกรับรากไม้บางชนิดเคี่ยวให้เข้ากัน สามารถทำให้คนที่เป็นโรคง่อยเปรี้ยหรือโรคอันเกิดจากไขข้ออักเสบทุกชนิดทุเราลงได้ภายในเวลาไม่เกินห้าหกชั่วโมงวิธีการใช้ก็คือเอาไปพอกแล้วก็ทาตรงบริเวณอักเสบนะครับด้พินไพรวันอึ้งไปนานมีความรู้สึกเหมือนฝันไปนี่หวังว่าแกคงไม่บงังอาจพูดตลกอะไรกับฉันในภาวะเช่นนี้นะ ปู้กองครับเง่ไซไม่ชอบตลกในยามหน้าสิวหน้าขวานครับแตหมายความในสิ่งที่แกพูดจริงๆอย่างนั้นเหรอครับผมเง่ไซหมายความเช่นนั้นจริงๆครับแล้วแกเอาสูตรรูศิษย์ดีนี้มาจากไหนแล้วก็เชื่อมั่นได้ยังไงว่าจะได้ผลผู้กองครับเง่ไซเคยพูดไว้หลายครั้งเลยนะครับว่าเง่ไซก็เป็นศิษย์มีครูเหมียนกัน เจ้านั่นพูดเนิบเนิแต่หนักแน่นในแต่ละคำปัญหาใดก็ตามถ้าบังเอิญมันมาเป็นปัญหาที่แงซ า, ายเคยร่ำเรียนศึกษาและก็มีประสบการณ์ทดสอบมาก่อนแล้วมันก็สบายมากเมื่อแงซ า, ายบอกกับผู้กองเช่นนี้ทำไมถึงไม่ได้เฉลียวคิดถึงสิ่งที่เราพูดกันไว้เมื่อไม่นานนี้เองนึกออกหรือยังล่ะครับว่าทาไมแงซ า, ายถึงได้กล้าพ น, นันกับผู้กอง ในข้อที่ว่าพวกเราทั้งหมดจะไปถึงเนินพระจันทร์ทันเวลาหรือไม่ผู้กองว่าไม่แต่งแงใสยว่าทันและผู้กองก็ไม่ยักกล้าพ น, นันกับแงใสยฉันอยากรู้ว่าแกรู้วิธีแก้ไขแบบนี้มาจากไหนก็ระหว่างท่องเที่ยวล่าสัตว์อยู่แถบเนปาลไ ง, งแงใสยเป็นศิษย์ของโยคีหลายองค์ท่านเหล่านั้น แม้จะไม่ดูมหัศจรรย์มีอิทธิฤทธิ์เท่ามาหาฤาษีกนธัญญะแต่ก็มีอะไรพิเศษพิเศษกว่ามนุษย์บุทุชนธรรมดามากล่ะท่านให้อะไรแงาายไว้หลายอย่างเกี่ยวกับสัญชาตญาณป่าพืชและสัตว์ชนิดใดแก้ไขบาบัดโรคอะไรการสร้างพิษและการสะกดพิษผู้กองจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะเงาทายสามารถจะบอกส่วนผสมของยาระงับพิษที่สางตาใชา้ สามารถจะบอกสูตรยาร้อนของบุญคำว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างและรู้กระทั่งส่วนประกอบของยาแก้พิษอย่างนอกที่ขยินใช้อยู่เพียงแต่ว่าเงาทายไม่มีส่วนประกอบหรือตัวยาสำเร็จรูปเช่นที่แต่ละคนผู้ชำนาญไปคนละอย่างพกติดตัวอยู่เท่านั้นในกรณีที่นายหญิงประสบอุบัติเหตุดินไม่ได้ไอทางหลักวิชาแพทย์จะเรียกอะไรก็ตามทีแต่มันเป็นอาการที่เงาายเคยพบเห็น และเคยช่วยแก้ไขใครต่อใครหลายคนมาแล้วถ้าไม่ใช่เพราะอาการของอัมาาพาตอันเกิดจากเส้นโลหิตในสมองตีบตันแล้วมันเป็นเรื่องง่ายๆมากหากมีสัตว์ชนิดที่งะทรายยิงค้างอยู่บนหน้าผานั้นและมีรากไม้เช่นที่พอจะหาได้จากภูมิประเทศอันเป็นยอดเขาสูงที่แวดล้อมเราอยู่ในขณะนี้ระพินแม้มริมฝีปากแน่น เจ้าแง่ทายเหมือนจะมองดูสิ่งมหัศจรรย์ที่ศึกษาไม่มีวันจบสิน้นนี่ฮ่าแต่ไม่แกไม่บอกไอ้ฉันให้ชัดว่ามันเป็นสัตว์อะไรที่แกบอกว่าต้องการน้ํามันของมันอะ่ะผู้กองครับผู้กองอาจไม่เคยเห็นหรือรู้จักมันมาก่อนก็ได้นะครับแต่แถบเนปาลหรือเชิงเทือกคีมาลัยน่ยมันมีอยู่ชุกชุมแง่ทรายนะ่ะสังเกตเห็นรอยของมันมาก่อนแล้วละ่ะตั้งแต่ตอนที่เราเหยียบขึ้นเทือกพระศิวะ ภูมิประเทศแถบนี้นะมันใกล้เคียงกับแถบพิมาลัยจะเรียกว่ามันเป็นเลียงผาชนิดหนึ่งผู้กองก็อาจเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่มันเป็นชนิดที่ขนปุยหนาและก็มีอยู่บนยอดเขาสูงปกคลุมไปด้วยหิมะแถบที่เรียกกันว่าเอเชียไมเนอร์สัตว์ประเภทนี้ไต่ชะง่อนเขาได้ชำนาญเป็นพิเศษเหนือกว่าสัตว์สีเทาอื่นๆทุกชนิดจะไม่มีการล้มตายหรือพิการจากการพลดหลนจากที่สูง ในกรณีที่กระโจนจากช่งอนหนึ่งไปยังอีกช่งอนหนึ่งถ้าพลาดมันอาจนอนสลบนิ่งไปชั่วขณะแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาตามเดิมเมื่อตอบน้ํามันและน้ําดีกระจายแผ่ไปทั่วเซลในร่างกายมีตัวยาประสานกระดูกและขะจัดโรคง้อยเปรี้ยอยู่ในน้ามันของมันมีคุณสมบัติในการดูดซึมผ่านผิวหนังได้อย่างรวดเร็วยิ่งถ้าได้เขี่ยวผสมกรรับรากไม้บางชนิดการดูดซึมผ่านผิวหนังก็จะเร็วขึ้นอีกครับ เราต้องการสองชนิดจากมันเพื่อคนป่วยของเรา 1. หนึ่งคือดีสำหรับกิน่นสองคือน้ำมันสำหรับฉลมนวดครับนี่แงสายฉันรู้นะว่าแกซ่อนอะไรต่ออะไรไว้ในตัวมากแต่ถึงยังไงก็ตามมันก็ยังมากเกินกว่าที่ฉันคาดคิดอยู่ดีแต่เป็นคนซ่อนภูมิทุกชนิดแล้ว้าไมจำเป็นขีดสุดก็ไม่ยอมขยายมาเลย คุณสมบัติข้อนี้แหละที่ทําให้ฉันไม่ชอบหน้ามานแ่มาแต่ไหนแต่ไรผู้กองครับการอวดกล้านะเป็นสมบัติของคนคลาดและการอวดฉลาดจนะเป็นสมบัติของคนโง่อาจารย์สอนผมไว้เช่นนี้นะครับและผมก็ปฏิบัติตามมาติประจําใจข้อนี้มาอย่างเคร่งครัดที่สุดแต่ถึงยังไงในฐานะคนรับใช้ที่ติดตามคณะของผู้กองมาด้วยคนหนึ่งผมก็ไม่เคยทําอะไรให้เสียหายไม่ใช่เหรอครับ แ, แกควรจะบอกพวกเราให้หายวิตกกังวลเส่นแต่แรกเลยทันทีที่แกเห็นสภาพของนายหญิงไม่น่าจะร้อยคนอื่นงโง่ให้หมดซะก่อนและแกก็สำแดงความฉลาดขึ้นมาในวินาทีสุดท้ายตามวิธีการเดิมๆของแกแบบนี้พวกองครับการบอกคล้ายวิตกจะมีผลได้ก็เพียงแค่ปลอบขวัญกันเท่านั้นแล้วก็จะมีปัญหาให้ถกเถียงว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ซึ่งร้ประโยชน์เสียเวลาโดยสิ้นโดยสิ้นเชิง สู้ลงมือกระทำให้เห็นชัดๆเลยไม่ได้นั่นประการหนึ่งชนีกประการหนึ่งแงสายละสายตาจากหน้าผาที่แงมองอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนมาจับประสานกับดวงตาของเขาซึ่งจ้องมาก่อนแล้วผมไม่ได้ต้องการจะแสดงตนเป็นผู้ฉลาดหรือผู้แก้ไขปัญหาข้อนี้เลยนะครับจิงหาโอกาสบอกให้ผู้กองทราบตามลำพังเท่านั้นผู้กองจะสักสิทธ์สาหรับสายตาของนายจ้างเราขึ้นอีกมากเชียว หากสิ่งที่ผมอธิบายให้ผู้กองฟังทั้งหมดนี่ให้มันมาจากความรอบรู้ของผู้กองเองผมเป็นแต่เพียงผู้ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้กองเท่านั้นยอมพรานแยกเขี่ยวนี่แงทรายฉันน่ะไม่รอบรู้หรือเก่งกาดไปสมบูทุกอย่างหรอกและฉันก็ยอมรับกับสภาพนี้มานานแล้วแกอาจมีเจตนาดีเพื่อจะยกย่องให้เกียรติักฉันแต่แกก็ต้องรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าคนอย่างฉัน ไม่เคยสวนรอยแอบอ้างในความสามารถของใครโดยออกมาเป็นของตัวเองถ้าแกสามารถช่วยนายหญิงในครั้งนี้บุญคุณของแกก็มีอยู่เหนือฉันมากมายพอแล้วมันเป็นเรื่องที่ฉันจะต้องยินดีและขอบใจแกเป็นอย่างยิ่งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องขอบใจหรือถือว่าเป็นบุญคุณอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะมันก็เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วผมต้องการให้พวกเราไปถึงเนินพระจันทร์ทันเวลา เหมือนผู้กองและคนอื่นๆเหมือนกันบางทีอาจเป็นความต้องการที่มากกว่าทุกคนซะด้วยซ้ํานะครับอ่ะและนี่แกจะรออะไรอยู่อีกวะเนี่ยยิงได้ไม่ไม่ใช่เหรอเห็นบอกว่าตกลงมาค้างอยู่บนชะ ง, ง่อนนนแล้วทําไมถึงไม่ปีนขึ้นไปเอาตัวลงอ่ะฉันเห็นแกนยืนทอดหุยเออระเหยอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ฉันไต่ทางขึ้นมาครั้งแรกแล้วคือว่าอย่างนี้นะคะผู้กอง ผมยังนึกไม่ออกว่าถ้าผู้กองไม่ตามมาผมจะขึ้นไปเอาเลียงผาน้ําแข็งตัวนั้นลงมาได้ยังไงนี่นี่แกจะออกอุบายอะไรใจฉันปีนขึ้นไปเอาแทนแกแล้วมั้งบอกตามตรงนะฉันตัวใจแกจริงๆปะผ่านอุบายเลย่กลของแกมันรอบตัวไปหมดไงาสายสันสีสันผู้กองครับผมน่าไม่บังอาบถึงกับจะออกอุบายอะไร พ้วยผู้กองไต่หน้าผาขึ้นไปเอาเลียงผาตัวนั้นลงมาแทนผมหรอกแล้วถึงแม้จะใช้อุบายยังไงผมและผู้กองก็คงไม่ยอมหลงกลแมละขดัดที่ผมยืนรอผู้กองอยู่นี่ก็เพื่อจะขอความร่วมมืออะไรบางอย่างเท่านั้นแหละครับผมจะปีนขึ้นไปเองผู้กองคอยอยู่ข้างล่างนี่แหละคอยช่วยผมและแ้ะกะใจฉันช่วยอะไรคือครั้งแรกนะครับตอนที่ผมซุ่มยิงมัน มันยืนอยู่บนชะ ง, ง่อนสูงลิฟนลโผล่หัวมานิดเดียวพระถูกปืนมันก็ร่วงลงมาติดค้างอยู่ตรงชะ ง, ง่อนที่ต่ำลงมานะแยน า, ายชี้มืออธิบายประกอบคําบอกเล่าผมก็ไต่หน้าผานี่ขึ้นไปเพื่อที่จะเอามันลงมาก่อนที่ผู้กองจะโผล่มาถึงแล้ว แ, ลแต่ก็เอาลงมาไม่ได้ตัวเองก็ไทบจะพลัดหล่นลงมาคอหากกดีทำไมหน้าผาก็เหม็นได้ชันอะไรนะักสาหรับนักไต่เขาอย่างแก ครับมันก็ไม่สูงชันอะไรนรักหรอกผู้กองแต่พอผมปลูหัวขึ้นไปเท่านั้นแหละเจ้าคู่ปรับของเขาเว้นระยะไปนิดนึงยิ้มออกมาแห่งๆยกหลังมือขึ้นแคะยิ้เช็ดหน้าก็ก็มันก็มีอะไรอยู่บนชะง่อนตรงตำแหน่งที่เลี้ยงผาตัวนั้นหล่นลงมาคอยอยู่ก่อนแล้วไงผู้กองผมน่าไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนเลย มันล่ากเอาเลียงผาที่ผมยิงเข้าไปใต้เพิงถ้ำที่อยู่ใกล้ๆ ใ, ให้ลูกอ่อนของมันสองตัวสามตัวแม่ลูกช่วยกันฉีกเนื้อเลียงผาตัวนั้นอย่างหิวกระหายที่สุดพอเห็นผมโผล่ขึ้นไปมันก็แยกเขี้ยวเข้าใส่ปุกองแต่ผมชากว่านั้นนิดเดียวก็คงถูกฉีกเหมือนซากเลียงผาตัวนั้นอ่ะผมน่ะรีบถอยหนีลงมาเกือบตกหน้าผาแล้วก็มายืนนึกหาวิธีอยู่เนี่ยจนกระทั่งปุกองมาถึงนี่แหละ ผมกัวเลียงผาที่เราต้องการตัวนั้นป่านนี้จะถูกขย่ําหมดตัวไปแล้วพรานใหญ่ลืมตาโพล่อไอ่ก็มีใหญ่ชนิดเดียวกับที่เรายิงเมื่อคืนวานนี่แหละครับยังสงสัยอยู่เลยว่าจะเป็นตัวเมียคู่ของไอ้ตัวนั้นมันมีลูกอ่อนแล้วเฝ้าอยู่ในถ้ำตื้นๆบนชะง่อนนั่นนภินแหงนมองขึ้นไปโดยเร็วทั้งๆ ท, ที่มองไม่เห็นอะไรแล้วคว า, ายเฟินที่วางพิงก้อนหินอยู่ขึ้นมาเปิดลูกเลื่อน แงมดูกระสุนที่เอาขึ้นรังเพลิงไว้ก่อนแล้วเพื่อความแน่ใจอีกครั้งตบก้านลูกเลื่อนปืนลงจะยังไงดีทางมันชันซะด้วยสิสําคัญว่าเราจะต้องไต่ขึ้นไปพ่าพยังไม่ทันจะตั้งตัวได้ถนัดมันก็จะปาดเข้าใส่อจังหวะนั้นเราเสียเปรียบมันแน่แต่เราต้องจัดการเราเลียงผาตัวนั้นคืนมาให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่จะกลายเป็นเหยื่อมันหมดทั้งตัวเอางี้ไหมครับผู้กอง เอาเป็นว่าผมจะไต่ขึ้นไปล่อมันพอมันไล่เข้ามาผมก็จะหลบลงที่แง่หินลูกนั้นเชื่อว่ามันจะต้องพยายามลุกล่ลงมาอีกผู้กองถอยห่างเชิงผานี่ออกไปให้สุดตรงหินหมูนั้นก็จะเห็นมันได้อย่างถนัดถนัดเดียวไม่อยู่แง่สายก็แหลกแล้วครับประโยคหลังเจ้าคู่ปรับของเขาพูดอ่อยๆกระพินยิ้มตกใจเอาลงมือเดี๋ยวนี้ก็แล้วกัน นัดเดียวอยู่ไม่อยู่ประเดี๋ยวก็รู้เองครับผู้กองนะ่ะรู้แต่แงา่ายจะไม่มีโอกาสรู้อีกกสิเพราะคัมหมองคงแหลกไว้ก่อนแล้วแงา่ายพูดในน้ําเสียงเดิมแต่ก็ไม่มีอาการลังเลใดๆอีกทั้งสิน้นจัดแจงไต่ก้อนหินขึ้นไปอย่างรวดเร็วโดยทิ้งไรเฟิลของตนเองไว้ที่เดิมข้างล่างเพราะถึงจะเอาขึ้นไปด้วยก็ยอมจะหาประโยชน์อันใดไม่ได้นอกจากจะหนักและเกะกะ ลลพลานใหญ่ถอยห่างจากเชิงผาออกไปยังตำแหน่งที่สามารถมองหินชะง่อนด้านบนได้ถนัดที่สุดหากจะมีอะไรโผล่ล้ำออกมากระชับไพร่เฟินในมือพร้อมตาจับมองมาทางด้านหลังของแง่ทรายซึ่งไต่สูงขึ้นไปเป็นลำดับอย่างคล่องแคล่วอีกประมาณสามวาจะถึงไหล่บริเวณนั้นแง่ทรายส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นเหมือนเสียงพวกไล่ราวเพื่อยั่วแย่ให้มีแม่ลูกอ่อนตัวนั้น หันมาสนใจพร้อมกับค่อยๆไต่ขึ้นไปอีกอย่างระมัดระวังทันทีที่จอมพเนจรส่งเสียงตะเพิดขึ้นไปก็มีเสียงแผดคำร้ามสะเทือนเลื่อนลั่นต่อมาในทันทีพร้อมกับเสียงก้อนหินกริ้งอยู่ข้างบนระวังอย่าขึ้นไปบนนั้นทั้งตัวจะทอยไม่ทันระวินตะโกนเตือนขึ้นไปพร้อมกับตะวัดไรฟนขึ้นไล่เนื้อไซชักนิดนึง ทำเสียงเอ็ดอึงยุยยั่วอยู่เป็นจังหวะแล้วก็ค่อยๆโผล่หัวขึ้นไปทีละน้อยทีละน้อยทันทีที่ผู้คอยระวังเตรียมพร้อมอยู่เบื้องล่างสังเกตเห็นว่าเงาสายล้ําศีรษะโผล่ขึ้นพ้นขอบชาหน้าผาเท่านั้นเขาก็ได้ยินเสียงแผดคำรามยันฉุนเฉียวดังขึ้นกึกก้องเงาสายหดหัวลบและปล่อยมือลื่นทะลุดลื่นหลุดไหลลื่นแทบจะพลัดตกลงมา ดีที่มือข้าหนึ่งคว้าเหลี่ยมหินอีกก้อนหนึ่งไว้ได้อย่างเหนียวแน่นตากายตัวห้อยตองแตงท้า ท, า, ทายมฤตยูชนิดที่ระพิงใจหายใจควม่มพร้อมกันเงาทมุนสีเท่าก็โผล่มาเห็นเต็มตัวมันพุ่งพลาดก็มายังตำแหน่งที่แง้ซ้ายโผล่ขึ้นไปด้วยอาการวิ่งสีเท้าความใหญ่โตของมันทำให้ปรากฏร่างรงงานอยู่บนเชิงชานหินบริเวณนั้นอย่างถนัดทนีกาลังหมุนซ้ายหมุนขวา หาทางที่จะลงมาเอาเยืออันเป็นมนุษย์ผู้บางอาจสูนไรฟินในมือของเขากว่าตามเป้าหมายอันไม่คงที่นั้นอย่างรวดเร็วเพราะมันทาบกัดศีรษะอันกว้างใหญ่กระได้ในระหว่างกึ่งกลางของสองหูก็ระดิกนิ้วกระสุนจุดสีห้ า, าแปดเมตรมาเปกาลั่นลอมาไปดังเหมือนฟ้าผ่า มีใ่พันกินเนื้อเป็นพักษาหารตัวนั้นหยุดเสียงคำราม้าหายไปในพริบตาพร้อมๆกับร่างอันใหญ่ของมันที่พงาลับเลียมหินหายแวบไปเจนาพินก็ไม่อาจแน่ใจได้เหมือนกันว่ากระสุนของเขาผิดถูกอย่างไรหรือไม่แต่สิ่งที่หัวใจแทบวายในขณะนี้ก็คือร่างอันห้อยตองแต่งของเจ้าคนที่ทาหน้าที่ล่อพลัดหลุดจากแง่หินที่เกาะ อ, อีกครั้ง ถลายร่วงลงมาตามแนวผาหลายชั้นนั้นอย่างน่าวาเสียวเฮ้ย hey! รบพินร้องลั่นออกมายึงยังลืมตัวด้วยความตกใจขีดสุด